ผูกเป็นแก่แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกับเป็นคนดีดังที่เจ้าอาธรรมมีอำนาจบัญชา ง, งานมาแต่ก้าวก่อนนั่งอยู่สบายแม้เป็นรุ่ยตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุกนิรภัยแท้ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคำท่านอุทานในใจท่านเวลานั้นหลวงปู่ขาวก็เป็นอีกองหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่น